อัลลอฮ م ุสซาลฺลัมุลลอฮฺบริษั ي หลักๆของสุรุตอตุบาที่ได้แชรพฤติกรรมของกลุ่มมุนาเฟกีนหรือพวกสัลับกลับกรอกนั้น คือพฤติกรรมลับหลังอันนี้คือเรื่องหลักเลยจากเรื่องราวที่เราได้รับรูม้มาว่าเราได้ตาหนิพวกมุนาฟิกีนว่าเราต้องอยู่ต่อหน้าท่านนาบีสุลตล่าละฮะเลียอุสสลัมทำหรือแสดงทำหรือแสดงในสิ่งที่ท่านนาบีต้องการละมากับท่านนาบีสดอดคอให้ท่านนาบีรู้ไปกับท่านนาบี หรือทำทำทั่วไปกันนะนั่งฟังบรรยายนาบีบรรยายนาบีสอนศาสนาเขาก็นั่งฟังซึ่งเรื่องนี้มันก็คือความเหมือนส่วนเหมือนของผู้ศรัทธาส่วนที่ไม่เหมือนนี่ก็คือตอนที่ไม่ได้อยู่ต่อนหน้าท่านนาบีตอนอยู่เับหลังท่านนาบีสุลต่านะที่จริงแล้วมันก็เป็นส่วนที่เป็นบททดสอบ สำคัญสำหรับคนทุกคนในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจให้ อ, อุลามาไ ด, ด้บอกว่าคนเราเนี่ยถ้าอยู่ต่อหน้าคนนีละหมาดเอาละหมาดเอาเขาจละหมาดเอาและหมาดเอาละหมาดละหมาดใหญ่แต่พออยู่คนเดียว ไม่มีใครเห็นขี้เกียจละมันวิสุทธิ์วิสุทธิ์ใดทุกเรื่องแทบทุกเรื่องเลยนะยามอยู่รับหลังผู้ศรัทธาอยู่คนเดียวก็ตามหรืออยู่กับคนที่ไม่เอาไหนกับศาสนาเราก็ไม่เอาไหนกับศาสนาเหมือนเขาแต่ถ้าเราอยู่กับคนที่ เอาเรื่องศาสนาเป็นเรื่องหลักในชีวิตเนี่ยเราก็ทําเหมือนเขาที่จริงการที่เราทําเหมือนเขาอย่าง ท, าที่ทิมุนาฟิกเขาละหมากรท่านนบีก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมที่เขาบางทีก็ออกไปยื้อแกับท่านนบีก็น่าชื่นชมแต่ข้อแตกต่างเนี้ยที่จะทําลายทําลายความดีของเขาทั้งหมดเลยทําให้ความดีของเขานี่เหมือนไรไรผลไรความมาย ทานอับด้เห็นมุนาฟิกินที่เขาจิหา้หัดฟินนาร์นรกชาวนารกก็สอับบาเขาเห็นก็สู้แบบแบบกล้าหาญที่สุดนะคนนี้จะจะเป็นชาวนารกได้งไงเขาเสียสละาอาันนี้สิบันทึบุคคลีนะกัสอับบาที่คืออับบาที่ฟังทานบีพูดเนี่ยเชื่อเหลือเกินในคำตัดสินของท่า น, น เป็นชาวนรกก็เขต้องเป็นชาวโนรุกอะชาวนรกเอาละทีจะเห็นที่ฉันเห็นแกตาเนี่ยยอมกล่าวหาสายตาของตัวเองและไม่ตั้งข้อสงสัยกับคําพูดของท่านเดวิสุลปกัสนาแล้วก็อีกจิฮัดอีกครั้งหนึ่งสงครามอีกครั้งหนึ่งก็เห็นมโนวิคนนี้พอบาดเจบ แล้วก็ทนไม่ไหวก็เลยฆ่าตัวตายถ้าเป็นผู้ศรัทธาก็ไม่ทำแน่นอนไม่ทำแบบนี้แนะ่นอ่าตัวตายนี่ไม่มีใครทำแบบนี้แสดงว่าการต่อสู้ของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นการต่อสู้เพื่อเพื่อล่อเพื่อหลบนามและพฤติกรรมของมุนามุนาฟิตเนี่ยที่ผมบอกว่าประเด็นมันอยู่ที่เรื่องลับหลัง น, นะมันก็คือ ประเด็นสําคัญหรือประเด็นหลักในชีวิตของพวกเราทุกคนที่จะต้องเอามาพิสูจน์เอามาพิสูจน์ความดีของเราและพิสูจน์ความไม่เป็นมุนาฟิกของเรานี่บทเรียนสําคัญ น, นะที่เราจะได้ที่ผมย้ำกับพี่น้องเนีถ้าได้อะไรจากสุรตบวะเนี่ยถ้าได้อะไรเนี่ยที่สําคัญที่สุดนี่นะแยแยให้ดีว่าพฤติกรรมมุนาฟิกเนี่ยมันคืออะไรพูดศรัทธาที่แท้จริงเนี่ยคืออะไร แล้เดี๋วท้ายสุรอนเนี่ยสุรอนนี่จะทิ้งท้ายพฤติกรรมของคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมุนาฟิกแต่เขาไม่ได้เป็นมุนาฟิกแล้วเราจะเล่าว่าอะไรที่ทําให้เขาเนี่ยไม่เป็นมุนาฟิกถึงแม้ว่าในสายตาของคนบางคนนี่เขาอาจจะนึกว่าเป็นมุนาฟิกมีบทเรียนสําคัญมากเลยทุกท่นญญานว่าบทเรียนมากมายนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดนี่ก็คือหรือเนื้อหาหลักๆนี่ก็คือเรื่องเนี่ย ที่เราจะแยกแยะเด่งไงว่าเป็นมุนาฟิกไม่เป็นมุนาฟิกฉะนั้นในในเรื่องประเด็นในประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่อัลลอฮฺสุบฮฺนบีนบ่าวตาละตำหนีพวกมุนาฟิกเช่นก่อนหน้านี้นี่ที่มุนาฟิกเนี่ยเขาไปพูดอะไรในวงน้ําชาเขาเนี่ยมตอบต่อหน้าท่านนบีเขาก็ปฏิเสธเปาเป่าไม่ได้พูดและสาบานด้วย แสดงว่าเขาในกลวสายตาของท่านนบีสุลต่านสัลลัมเป็นสายตามนุษย์สามัญชนก็คือเห็นเฉพาะที่อยู่ต่อหน้าและไม่เผื่อไว้เลยว่ามีสายตาที่เหนือกว่าสายตาของท่านนบีสุลต่านสัลลัมก็คือความรอบรู้ของเราสุภาพนาวที่สามารถเอาพฤติกรรมของเขาเนี่ยไปบอกกับท่านนบีสุลต่านสัลลัมเรื่องนี้นี่เขา เขาไม่ดุลาสิบนาว่าทีท่าไทยบอกว่าที่ท่าไทยบอกว่าเรื่องที่มุฮัมมัดนี่พูดนี่พวกเรานี่เป็นลาเป็นลากันนั้นั้นเรื่องที่ท่านนบีพูดนี่ก็คือเรื่องเรื่องคุณลักษณะของอัลลอฮ์ความรอบรู้ของอัลลอฮ์สุภาพเรื่องความศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้านี่เนี่ยที่เรื่องที่ท่านนบีสอนไม่ใช่เหรอแสดงว่าเขาเขาเขาคงพลาดที่จะวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ดี ว่าท่านเบีมุ h a m ั a d صلى الله عليه พิพากษาสันนานว่าล l แล้วัลล่ h นี่มีคุณลักษณะผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นทั้งในเชิงลับและก็เชิงเผยเขาพลาดที่ไม่ไม่เดมพิจารณาเรื่องนี้ให้รอบคอบมันอจะพูดอะไรอเดอร่อยในวงในของเขาเนี่ยใน ในลับหลังของเขาเนี่ยและต่อหน้าท่านนบีสุลต่านยังยังกล้าปฏิเสธละสุภานะดาราก็ลยสังสรรคัอุบิลลาฮิมินัสฮฺนรรมอะลมอัลามอันละล่ฮิอัลามุซิร์รหมวนะจวาหฺมุฮัณนัลละฮะอัลลามุลูยุบพวกเขาไม่ได้รู้ดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮนั้นทรงรู้ความล้นลับของพวกเขาความล้นลับ สิร์หุมความร้นลับวันนจุอาหุ่มและการพูดซุบซิบของพวกเขาน ج ุอ ه م ุ وأن الله ع ل س ب س ب ا م الغيوب لتجن الله بنفوس رب رؤ نسنجتي رين لب تغلاي أن الله يعلم سرهم ونجواهم الله رؤ سنج رين لب และการพูดซุบซิบ อีกอายาหนึ่งเราบอกว่รรวาอยาเล่ามุซิรอว์อัฟฟาเพราะองค์รู้ความลับกว่าอัฟฟาและที่ลับกว่าลับคือลับสําหรับมิติหนึ่งเช่นเราคุยกันสองคนกลายเป็นเรื่องเฮ้ยอยบอกใครนะมันเป็นความลับลเราสองคนแต่ที่จริงเนี่ยคือผู้มากประสบการณ์ขเขาบอกว่าความลับจะออกจากหนึ่งคนเนี่ย มันไม่มีความลับละเขาเนี่ยสองก็สองคนแล้วไงความลับนี่ก็คือไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมไอ้นี่ยเล่าอ่ะไอทีเขาอ้างมาเป็นความลับลับกว่าความลับนี่ก็คือสิ่งที่อยู่ในหัวใจเราเนี่ยที่มันเป็นความลับจริงนะแล้วมีใครรู้เลยเราเก็บไว้ในใจนี่ไม่มีใครรู้เลยเราสงสัยสิเราอ้าแต่ความลับนี่มันก็เป็นข้ออ้างของมนุษย์เนี่ยวละ เวลาจะทำอะไรแล้วก็เข้าใจเนี่ยเข้าใจเองว่าคนอื่นไม่รู้พราะก็เรียกว่าความลับความลับเราเคยเห็นมหมอเอกสารราชาการที่ออกทางโซเชียลหลุดหลุดแล้วก็ปั้มไว้อยู่หัวกระดาษเนี่ยลับที่สุด <laughs> ลับที่สุดเป็นความลับที่สุด เออแล้วก็พวกเราในสังคมเนี่ยเราก็เห็นกันนะอะไรที่อะไรที่อยากจะให้มันเป็นข่าวดังที่สุดเนี่ยนะให้นำหน้าคำว่าอย่าบอกใครนะมันเป็นความลับแค่นั้นแหละรับรองเนียรับรองได้เลย <laughs> อีกวันหนึ่งขึ้นซีเอนเอ พราะเราเข้าใจกันเองเราเข้าใจกันเองแล้วเราจะปลอบใจตัวเองว่าเออมันเป็นความลับบางทีเนี่ยเราก็พูดด้วยความจรงิง อ, อ, อย่าบอกใครนะีมันเป็นมันเป็นความลับอแต่ที่จริงเนี่ยมันมั น, ม, นมันไม่ใช่อย่างน้อยเนี่ยสำหรับผู้ศรัทธาระหว่างเขากับอัลลอฮ์นี่ไม่ถือว่ามีอะไรที่เป็นความลับฉะนั้นถ้าเรื่องที่มันเกี่ยวกับคําสั่งสอนเรื่องทําอย่าทําอันนี้ทําได้ น, นู่นทำไม่ได้อันนี้เนี่ย อันนี้เนี่ยเราต้องเอามาตรฐานความเชื่อของเราว่าอัลลอฮฺสุลฮานนวาตาละทรงรอบรู้ทรงได้ยินทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นมันจะไม่มีความลับแล้วเราไปแอ บ, บทําอะไรที่ไหนที่มืดมืดไม่มีใครรู้เนี่ยสําหรับผู้ศรัทธาเนี่ยความคิดแบบนี้ความเข้าใจแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นถึงจะทํานะหมายถึงว่าถึงจะมีผู้ศรัทธาที่แอ บ, บทํานะแต่เขาแอ บ, บทําดังนั้นที่เขารู้ว่าอัลลอฮฺสุลฮานนวาตาละทรงรู้แล้วนี้มันไม่ ไ, ม, ไ, ม, ไ, ม, ไ, ม, ไมันไม่ได้มันไม่มีความลับ แล้วเรื่องนี้มันจะเป็นมันจะเป็นข้อแตกต่างที่อาจทําให้ผู้ศรัทธาในเมื่อเขารู้ว่าเราทรงรู้นะทําให้ผู้ศรัทธาเนี่ยจะไม่ทําความชื่วแบบลับๆ บ, บ, บ่อยครั้งเพราะในเมื่อความศรัทธาความเชื่อว่ า, ราอรรถสวามิตรทรงรู้ทรงเห็นอยู่เสมอนี่นะมันก็จะเป็นแรงกดดันตลอดคือผู้ศรัทธานี่ที่มีความศรัทธาแบบนี้จริงๆนะเขาจะไม่มีความสุข ในการทำบาปเหมือนคนอื่นว่าไหมผู้สมรภูษานะที่รู้ว่าเราทรงเห็นเราทรงได้ยินเนะี่ยคือไปทำอะไรที่ไหนก็ตามมานนะก็ยังรู้ว่าเราเราเห็นไงมันจะทำให้บาปที่เขาทำเนี่ยมันอาจจะมีความสุขระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้เหมือนความสุขของคนอื่นที่มาที่ไม่ตามตามสบายเลยนะนนมันไม่ใช่การที่พูดอะไรลับหลังเนี่ย มันถึงขนาดเป็นค่านิยมในในกลุ่มมุนาฟิกินค่านิยมค่านิยมสำหรับต่อท่านนาบีเขาจะได้พิสูจน์ตัวเองต่อท่านนาบีก็ทำในสิ่งที่ท่านนาบีต้องการแต่จะได้พิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงแล้วก็มีกลุ่มพรรคพวกของเขาเองเนี่ยเขาก็ต้องไปซุบซิบรับหลังนี่ที่อัลลกก็พูดแบบซุบซิบ แล้วเนี่ยความหมายของคาว่านาจววนาจววชื่อเยอะนะชื่อผู้หญิงนาจววมันมีความหมายดีมุมหนึ่งเขาเลยตั้งชื่อเนี่ยเพราะถ้าความหมายไม่ดีเนี่ยมันมันไม่มีใครจะตั้งหรอกนะถ้าบอกเขาว่านาจวาเป็าอะไรเป็ว่าซุปซิบโอ้ยไมาใครจะไปตั้งชื่อลูกสาวคนนัซุบซิบเสียหายหมดแต่มันมีมันมีความหมายคือ นจวาเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะใช้เรซุบซิบระหว่างคู่รักอ่ามันก็เลย okay. <Ooh. S 1> มีความหมายหวานหวานหน่อยคู okay. ่ร <on>. ักเวลาซุบซิบเนี่ยเขาเรียกว่านจุอาเขาก็เลยตั้งชื่อแค่นั้นแหละแต่แต่แต่ความหมายทั well. ่วไปอ่ะนะก็คือซ <human> ุบซิบทั่วไปอ่ะแหละซุบซิบระหว่างคู่รักซุบซิบระหว่างพวกมุนาฟิกกัซุบซิบกันทั้งนั้นแหละนจวากันทั้งนั้นอ่ะเรียกว่านจุาทั้งนั้นะ อนคานที่เนี่ยซูรุตอัลมุจจัดละด้วยเหตุว่าซูรุตอัลมุจจัดละเนี่ยรกซูรุตอัลมุจจัดละข้าวลาบินตีสั่งเลบะ صحاب ียที่อายุมากแล้วและสามีเขาหย่าร้างด้วยรูปแบบหย่าร้างสมัยยัฮิเลียที่ปลดจากความเป็นภรรยา แต่ไม่สามารถที่จะให้เขาเนี่ยลุดออกจากการปกครองของสามีก็สามีจะบอกว่าเธอนี่เหมือนเหมือนมัรดาฉันก็หมายถึงว่าฉันจะถือว่าเธอเหมือนภรรยาฉันไม่ได้แล้วและในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ไม่ได้ถูกหย่าขาดเพื่อเขาจะไปมี สามีคนอื่นมันก็ไม่ได้เขาก็เรียกว่าเป็นเป็นยาแบบแขวนไว้แขวนไว้ก็ไปปรารถบกับท่านนบีซุนุล่วงฮาวลิสหรอว่าปรารถบกับท่านนบีท่านอนางไอชานั่งอยู่ข้างๆเนี่ยไม่ได้ยินเพราะเขาคุยคุยแบบซุบซิบกับท่านนบีคุยลับๆเสียงเบาๆค่อยๆกับท่านนบี ขนาดท่านย่งไงชาบอกว่านี่อยู่ใกล้เขาเนี่ยพยายามพยายามแอบฟังจะได้ฟังสักอย่างไม่ได้ยินแต่ Allah سبحانه า <ؤ> ละ تعالى ได้ยินดังนั้นเหตุนี้ในสุรอัลมุจจัเล่าก็เลยมีคาสั่งสอนมารยาทของเรื่องซุบซิบเรื่องซุบซิบเนี่ย ที่เขาละวินิจาลับอันนี้มาประรูปกับท่านนบีสุตลตมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนอื่นพูดรับหลังคนอื่นก็จริงเป็นเรื่องถ้าเนียมแล้วนี่มันก็คือนินทาไงนินทาพูดรับหลังใช่ไหมแต่ถ้านินทารับหลังเพื่อขอฟะตวาหรือร้องเรียนพฤติกรรมของคนที่ทำร้ายคนอื่นหรือสร้างความเสียกับคนอื่นอันนี้ไม่ถือว่านินทาไม่บาป แล้วก็เลยสั่งสอนคือแถมไปอีกเนี่ยในสุรัสอัลมูเจดะนี่เรื่องเรื่องซุบซิบซุบซิบที่พวกมุนาฟิกเขาทํากันข่าวนี้ให้ชายากับเนจวาเนี่ยเรื่องเนจัวเรื่องซุบซิบแบบลับๆซุบซิบแบบลับหลังกันเนี่ยให้ชายาว่าเป็นพฤติกรรมของชัยตอนอินน์มันนจัวมีเนชชัยตันี่แท้จริงเรื่องซุบซิบลับหลังเนี่ยมันมาจากชัยตอนเลียฮซุนัลละดีน่าอาเมน จะได้ให้ผู้ศรัทธาเนี่ยรู้สึกเสียใจพฤติกรรมซุบซิบต่อหน้าคนนี่นะในว่นนั่งกันสามคนเนี่ยและสองคนนียก็ก็ไก่ฮันอคูก็ได้ยินกันทอ้งทัึงกูปอ่เนี่ยก็กกกกกน เ, นยเพื่อนกันไงน อยู่ามาอยสองคนนี้ชนี้บสุคกห็บามุกาสิมคนสองคนมาุบซิรับหลังบุคคนที่สามตอนที่อยู่ด้วยกัน เนี่ยนะจัวนะจัวเนี่ยหมายถึงว่าสองคนสูบสิบรู้เรื่องกันสองคนแต่บุคคลที่สมนี่ไม่รู้เรื่องแน่นอนยิ่งถ้าบุคคลที่สามนี่ไม่อยู่เลยเนี่ยอันนี้ก็คือนินทาแล้วล่ะนี่เนี่ยนินทานี่ก็คือรับหลังคนที่บุคคลที่สามในที่เรานินทาเขาเนี่ยเขาไม่อยู่เลยเนี่ยนินทาเนี่ยรีบะแต่ถ้าอยู่ล่ะบางคนบางคนนี่ก็อยู่เราไม่ได้นินทานี่ก็อยู่อยู่แต่เขาไม่ได้ยินเหมือนกันเนี่ยเขเรียกว่านะจัวบาเหมือกัน มีค่าเหมือนเป็นเรื่องเป็นนินทาเหมือนกันหรือสามคนเพื่อนกันสองคนเป็นคนบังกอกบังกอกพูดภาษาไทยคล่องอีกคนหนึ่งเป็นคนอินดูพูดไทยไม่รู้เรื่องไอ้สองคนนี้ก็ โยนซิกันไปโยนซิกันอันนี้ไม่ได้รับหลังนะ น, นี่พูดดังเลยนะพูดดังเลยน ะ, ะกันตาจวามันินทาเหมือนกันซึ่งคนไทยเรานี่ชำนาญเรื่องเนี้ยอุปโลกภาษาวิเศษเวลาอยู่ด้วยกันน่ยก็จะมีภาษาเฉพาะคุยกันแบบเป็นเป็นรหัสเป็น เป็นภาษาเฉพาะคนอื่นนี่ไม่รู้เรื่องอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะพูดภาษาเดียวกันโดยบุคคลที่สามนี่นั่งอยู่ร่วมกันแล้วเรานินทาเขาด้วยด้วยภาษาของเราเนี่ ย, ยเนี่ยแถวน า, นานานี่เยอะเวลาอาหรับเข้ามานี่พอขาไม่ขายนี่โหด่าอาหรับเลียกเลย อาหรับก็มีเหมือนกันสน่ก็ส่งสิกอาหรับกันกนะกระดาคนไทยนี่แเละเหมือนกันนี่ค ว, ค, ว ค, ว ค, วความที่เราไม่ได้ไม่ได้จูนมารยาทของเราเนี่ยตามหลักการศาสนาไม่ได้ไม่ไมีใครชอบหรอกลองลองลองวางตัวเองเราอยู่กับฝรั่งสงคนและฝรั่งสงคนเนี่ยโอ้โหนี่ใส่เราเละเลยพูดภาษาภาษาเขานี่ด่าเราสะเละเลยแต่เราก็พอที่จะเข้าใจนะแต่เราไม่กล้าที่จะที่จะต่อว่าอะไรคเขาไงใครจะชอบแบบเนี้ มีรชอถ้าเราไปทากับคนอื่นแบบนี้แหะนะทกับคนอื่นแบบนี้มันก็มันก็ไม่ถ้าท่านถ้าอยู่ในหมู่ผู้ศรัทธาด้วยกันนะนะอ่านี่นี่คือนจัวและในสุรษัลอะมุจัตแลนุมังลาอูอินมะนจัวมินัลชัยตานีลิฮซุนัลลัฎินะแล้วในสุรษัลอะมุจัตมอาดีข้าวเนีากับอายนอายดีสิบแปดสุรษัล ألم يعلم أن الله يعلم؟ ألم در أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خ م س ة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبيهم بما عملوا خمر و الله صنغر سنغلابتيون إنشن ف ا ل پ ن د ن ا ن ل ا ي ไม่มีการซุ ไม่มีการซุบซิบพูดซุบซิบระหว่างสามคนเว้นแต่อัเลาจะเป็นผู้ที่สี่สี่คนเลาจะเป็นผู้ที่หหรือน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นเราก็ทรงรู้นี่วงวงซุบซิบอาจจะสามคนอาจจะสี่คนก็ได้แต่เขาซุบซิบกันเฉพาะกลุ่มไม่มีใครรู้และนี่คือพฤติกรรมของมูนาฟิกสมัยท่า็นบิซัลลัลลอฮฺวะะแลฮฺอัซัลฺซึ่งมารยาบแบบนี้เนี่ย ทอิสลามมสอนผู้ศรัทธาถือว่าเป็นการสอ น, สอนมารยาทขั้นสูงเป็นคุณธรรมขั้นสูงก็คือคนที่ปรับมารยาทส่วนตัวของเขาเนี่ยให้สอดคล้องกับความเป็นจริงโดยไม่ให้ไม่พูดไม่ทำให้คนอื่นเนี่ยได้สงสัยว่าเขาเนี่ยมีความคิด เลยมีความเชื่อที่ไม่ซื่อตรงกับคนอื่นเป้าหมายของการห้ามซุบซิบรับหลังแบบเนี้ยทําไมอะเลีห์ุ น, ين, หนั่ลดี่น่ทำให้ผู้ศรัทาเนี่เสียใจกันเนีไงพอมีซุบซิบกันบุคคลที่สามที่สี่นึกเขาเขาว่าอะไรหเปล่าเขาอะไรหรือเปล่าเนี่ยศาสนาบอกว่าอย่าทําอะไรดีารา ي, ให้คนอื่นเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยไม่ซื่อตรงกับเขา นี่คือการปรับมรารยาทขั้สูงสูงมากสําหรับผู้ศรัทธาไม่จะทําอะไรที่มันผิดนะแม่อาจจะไม่ผิดก็ได้กุลมาเนี่ยบอกว่าซุบซิบกันสองคนไม่ได้ซุบซิบถึงบุคคลที่สามหมายถึงว่าเราคุยกันนะคุยเรื่องส่วนตัวจริงไม่ใช่เรื่องคนที่สามผิดไหมผิดมืองงั้นผิดทําไมอ่ะก็เขาไม่รู้อ่ะพวกคุณนะคุณเพราะคุณน่ยไม่ได้บอกเขาไงในเรื่องส่วนตัวพราะคุณนี่ที่เนี่ย เขาก็ต้องคิดคิดหลายแง่ไงทําให้เขาเนี่ยเสียใจว่าเอเขาพูดถึงอย่าว่าเสียใจเรื่องนี้นะคือเขาจะเสียใจว่าเฮคืาว่าเราหรือเปล่าอันนี้อันหนึ่งนะแต่ที่มันมากกว่านี้เนี่ยบุคคลที่สามที่เขาถูกซุบซิบเนี่ยถ้าเขาเป็นคนเชื่อเชื่อจริงๆนะหมายถึงว่าเชื่อเพื่อนสองคนเนี่ยแล้วก็สนิทมากจริงๆนะนะเขาอาจจะไม่คิดก็ได้ว่าโอ้ยเขาคงไม่ได้นินทาเขไม่นินทาฉันหรอกคือ สนิทกันพอที่จะไว้ใจได้ใช่ไหมแต่เขาก็ต้องน้อยใจว่าแล้วทำไมเขาคุยกันสองคนไม่ให้ผมพูดด้วยแ ล, และเสียใจไหมถ้าสนิทกันมากแล้วก็อยู่ดีก็สองคนไ ม, ไม่ต้องให้มันรู้เขาก็ต้องเสียใจเหมือนกันเหลียวฮซุนัลลี่หนามันให้ผู้สัตานนี่เสียใจกันและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงยิ่งในโลกโซเชียลนี่โอ้โห ก็ขอร้นคุยลับหลังแด่นี่นี่ห้องหลังไอ้ดูดไปเปิดห้องคือตั้งกลุ่มลายแล้วใช่ปะก็อยากจะคุยอะไรแต่ไม่อยากให้คนนั้นน่ะรู้แล้วบางทีก็เกี่ยวกเรื่องของคนนั้นเองอ่ะทางไงอ่ะเปิดห้องอันนี้ก็เือนโยวายเหมือนกันทำได้ไหมคืออย่างงี้ อย่างที่บอกหลักการเกี่ยวกับเรื่องนินทาเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องป้องกันความเสียหายส่วนรวมที่ไม่สามารถป้องกันได้นอกจากว่าจะต้องพูดถึงบุคคลที่สามถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่มันต้องมันต้องพูดจะได้ป้องกันความเสียหายส่วนรวมอันนั้นจะทำได้แต่ทำในเรื่องที่มันไม่มีเหตุผลเลย ป้องกันความเสียหายหรือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่วนรวมถ้าบุคคลที่สามนั้นรู้มันจะทําให้ประโยชน์ส่วนรวมนั่นสูงสุดส่วนเนี่ยมันอาจจะพลาดไปก็ได้อย่างนี้หมายถึงว่า เ, เราจะพูดพูดรับหลังเขาได้ในเรื่องในเรื่องประเมินเรื่องเนี้ยมันเป็นไปนไม่ได้ที่เราจะให้ ผู้รู้นี่มาวินิจฉัยทุกเรื่องหมายถึงว่าเราจะพูดรับหลังใครเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ผมจะนินทาคนนี้รับหลังเพราะมันมันได้ไหมคือมันเป็นไปนไม่ได้ไงที่เราจะจะมานั่งปรึกษาจะมาถามผู้รู้ในในเรื่องที่มันมันอยู่ที่ดินดุลพินิษของเราทุกคนถ้าเรามั่นใจว่าทาในเรื่องนี้และมันมันไม่เข้าข่ายนินทาที่มันเป็นเรื่องบาปและมีคําตอบที่ตอบกับอัลลอฮฺสวานะว่ า, วาอะไรแล้ว เชิญทำฉะนั้นเราต้องใช้ดุลพินิษของผู้ศรัทธาที่กลัวบาปกลัวทำบาปแล้วกลัวลอสุภาณองค์ระตานะแต่ดุลพินิษของของนักคียบอร์ดนะ่นะอันนั้นมันละตุเลยเพราะมันไม่มีขอบเขตมันไม่มีจริยธรรมอะไรเลยโดยเฉพาะในโซเชียลที่มันมยับยังอะไรไม่ได้เลยนะมัน กิดกั้นอะไรไม่ได้ความสามารถของเทคโนโลยีที่ที่ทําให้เราทําบาปง่ายกว่าเดิมล่วงเกินสิทธิของคนอื่นง่ายกว่าเดิมแต่ก่อนนู้นถ้าเราด่าใครเนี่ยเราจะกลัวเพราะการที่เราด่าเขาเนี่ยก็จะมีคนของเขาจะมีคนของเราที่จะคอยปราบ แต่เดีเนี่ยโอ้จะด่าใครก็ได้ในสังคมใครจะรู้ละว่าเราเป็คนด่าใครจะรู้ล่ะด่าเปล่าตัวด่าละเทคโนโลยีมันทาให้บาปมันง่ายลงะบาปใหญ่ที่สุดนี่ที่เราบอกว่ในุอนี่ว่าอันตะูลูอลลฮิมลาตะอัลลบาปใหญที่สุดนี่คือ คือกล่าวร้ายต่อองค์กล่าวร้ายต่อศาสนาในสิ่งที่เราไม่มีความรู้ไม่มีหลักฐานใหมย่ยถึงว่าเราก็บอลว่าอง์บอกอย่างนี้ศาสนาบอกอย่างนี้ทั้งๆอย่างนั้นแม่ที่บอกอย่างนี้ศาสนาแม่ที่บอกแบบนี้นี่คือใหญ่ที่สุดก็คือบิดเบือนศาสนานั่นแหละบิดเบือนศาสนาบิดผิวกับศาสนาก็เช่นเนียกลายเป็นบาปที่ทําง่ายลงอยากจะพูดอะไรอยากจะทําอะไรผ่านโซเชียลนี่นะ ถึงขนาดที่จะบิดเบือนศาสนาถึงขนาดที่จะอุตริกรรมถึงขนาดที่จะทําเรื่องแปลกๆในศาสนานี่ย ก, ก็ทําคือมุนาวิกตกร น, นู่นน่ะหรือคนชั่วเวลาเขาทําอะไรรับหลังนี่เนื่องจากเขาเข า, เขากลัวการตําหนิของคนในสังคมกลัวว่าถ้ถาใครรู้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะโดนตนําหนิแต่ความบังอาจของคนชั่วในยุคนี้นี่นะ มันเลยเถิดและมันมันหลุดโลกไปแล้วอะถึงขนาดที่เขาทําชั่วจะได้มีไลค์มากที่สุดคือไม่คือไม่ได้ทําความยู้ก ว, ว่ากลัวกลัวคนจะทำนี้ไม่เขาต้องการคนมาไลค์มามม า, มายกย่องมาเป็นและติดเป็นเป็นแฮชแท็กเนี่ยทาความชั่วแบบเปิดเผยความชั่วทุกชนิดเลยนะร้องเพลง ถ่ายรูปเปื่อยกายกินกินกินเดี๋ยวนี้ก็โชว์กินน่ะนใมีฮะดีสุนานเี่ะอันตามิลมุตบีสองคนนี้ก็มาพนันกันเฮ้ยตั้งหม้อหม้อบะหมี่เงี้ยกินได้บ้าให้สากินได้บ้าเนี่ยนบีห้ามเลยนะนีอันตรามิลมุตบอรีนี่อาหารคนนี้แข่งขันกันกินน่ะนี่ยนบีห้ามอ่ะห้ามกินหรือ สองคนนี่นะเลี้ยงแล้วก็แข่งกันนะฉันเลี้ยงเอาบุฟเฟ่อวัวล้มวัวตัวหนึ่งอีกคนหนึ่งบอกว่าสองตัวถ้าคนอวดกันเลี้ยงแบบนี้นะห้ามไปนะอวีวลีมาของเขาเดียแวบบนี่ยห้ามไปนะทํำไมอ่ะเขาไม่ได้เลี้ยงทําบุญหนี่เขาได้เลี้ยงเขาเลี้ยงแข่งแข่งขันอ้อวดต่อชาวบ้านนี่อะไรแบบนี้ในโซเชียลมันก็กลายเป็น อวซื้อของแบรนด์และะ้วก็โชว์อวดไปกินร้านอาหารหรูๆและ้วกะ็โชว์สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนี่มันก็เป็นสิ่งที่มันไม่ควรไม่เหมาะไม่ควรสําหรับผู้ศรัทธาบางอย่างก็ถึงขั้นเป็นบาปใหญ่บางอย่างก็อาจจะอาจจะเป็นบาปเล็กบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องมักรุบางอย่างก็อาจจะเป็นเรื่องไม่สมควรไม่เหมาะไม่ควรสําหรับผู้ศรัทธาไม่สวยงามสําหรับผู้ศรัทธาพวกเรานี่ก็ต้อง ดูดีเรื่องของเราเนี่พูดถึงเรื่องลับหลังในเรื่องเรื่องความลับใช่ปะแต่โซเชียลเนี๋ยนี้มันไม่ใช่เลยวไงโซเชียลเนี่ยมันหักดิบมุมของความว่าความว่าความลับคือเอาทุกอย่างที่มันเป็นความลับเนี่ยเพื่อเปิดเผยแล้วก็โอ้อวดชาวบ้านแล้วแค่แนนที่ได้มานี่ก็คือ การกดไลคหรือการที่จะได้มีรางวัลได้มีไรายได้อันละหานลำลุกยุบและแท้จริงอัลลอฮเป็นผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งที่เร้น ล, ลับทั้งหลายอัลลมัมอัลลัมนี่ก็บว่าเป็นสิ่งกัดูบะ ล, ล, ละวะสิ่งกัดพบะละวะแล้วว่ารูปร่างของคําที่มีเนื้อหาเข้มขน้นกว่านามปกติ นามบกคตินี้อาลิมอาลิมนี่พูรูอัลลามพูรูยิ่งอัลลามแต่อัลลอฮฺได้มีความเห็นต่างกันว่าอัลลามนี่จะเป็นพระนามของอั ح ح าลลอฮฺ سبحانه และ تعالى หรือไม่เพราะไม่มีอญญ า, ายะห์ใดหรือหะดีษใดที่ที่เอ่ยถึงพระนามอัลลอฮฺ อัลอาลามช่นช่นอัลอลามนี่ม่มีรืออลิมก็เหมือนกันอาลลิมเนี่ยผู้รู้อัลิมอย่างเดียว่ยอัลลอฮ์นี่เป็นอัลิมเนี่ยไม่มีมันก็มันต้องอผสมกับคําอื่นเช่นอายะเนี่ยอัลลามุลรูอยู่ผู้ทรงรอบรู้ยิ่งซึ่งสิ่งเรันลับทั้งหลายอัลลาห์มูลรูอยู่อัลลาหนี่ผู้รู้ยิ่งและจะมีตัวตาตามารบุต่อเนี่ย ตานี่เขาเรียกว่าตามูบาลเราก็เหมือนกั น, นว่าเพิ่มความเข้มขน้นอัลลามเนี่ยผู้รู้ยิง่งอัลลามอัลลามะผู้รู้ยิ่งมากอันนี้ตานี้ไม่ใช่ไม่ใช่เพศหญิงนะไม่ใช่อัลลามเนี่ยหญิงอ่าชายแล้วอัลลาห์มหญิงนะไม่ใช่นะตาตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่าตามูบ้านเราก็เหมือนกันเพิ่มความเข้มข้นในเนื้อหาอัลกุบยบกุยบ สิ่งลึนลับทั้งหลายสิ่งลึนลับทั้งหลายก็คือสิ่งลึนลับต่างมิติสำหรับสายตาของเราหูของเราการได้ยินของเรานี่มันก็มีอาาเขตของสิ่งที่เราเรียกว่าเผยสิ่งที่เปิดเผยนี่ก็คือสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เราได้ยิน สิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้ยนะินนะ่ยนั่นะสิ่งที่เรามองเห็นเนะี่ยสิ่งที่เปิดเผยซาอุดเรียกว่าอ ه ا د ة ش ه ا د ة สิ่ที่เห็นแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนะ่สิ่งที่เร้นลับนั่นะที่เราซารเรียกว่านอาั่นอ่านั่น อ, อวว่านั่นอ่าน่นอ่านั่นอ่านอ่านั่นอ่านั่อ่านั่นออ่านัั่นานาอ่านัั้งสิน่่่นอนัันอ่่่านั่่อ เห็น ه د านี่ไม่จมัด شهاد าหลายๆหลักล้านนะิใช่ ش ه ش ان ان ش د านี่มาจากเหตุเหตุใดเปโวหิตเพราะฉะนั้นสักขีพยานนี่ยเรียกว่าชฮิดอพราะต้องเห็นแต่สักขีพยานเนี่ยไม่เห็นไม่รู้ไม่รู้ไม่ไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยมเป็นสกขีพยานไม่ได้ชฮิดนั้น شهاد ะที่มองเห็นได้ที่ปรากฏตัวแล้วก็มองเห็นรับรู้ได้อูยูบเนี่ยก็ต่างมิติ สิ่งที่มันเป็นเร้นลับสําหรับเราเนี่ยนะสำหรับอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่อันนี้เราเห็นยังไงเราเห็นอากาศเห็นอวกาศเนี่ยแต่เราไม่เห็นชั่วรุกล่าอะไรที่มันเห็นชั่วรกราต้องกล้องเราเรกล้องจุลทัศน์จุลนิัศน์นะกล้องมันก็เห็นแต่เราไม่เห็นสําหรับกล้องนี่นะไอสิ่งร้นลับสําหรับเราเนี่ยสําหรับกล้องนี่มันเป็นชั่หาดนะ มันเป็นสิ่งที่เปิดเผยแล้วแต่ที่อยู่ในหมายถึงว่าลาไส้ของเชื้อโรคนี่นะไอ้ทุลทาตุนี่มันก็ยังมองไม่เห็นต้มเพิ่มความสามารถของมันอีกทีนึงจนถึงบางเรื่องบางอย่างนักวิทยาศาสตร์ก็อยอมรับว่าทุกวันนี้เนี่ยเรายังไม่ยังไม่รู้อะไรมันเลยเพราะเรายังมองไม่เห็นมันทั้งหมดนี่นะโอ้ยสิ่งไรับทั้งหลายคือ ไม่มีส่วนหนึ่งมิติใดที่มันเป็นเรื่องเร้นลับที่อัลลอฮฺสุบไพร์นอวะดาเาจะไม่รู้แต่สําหรับเราในมีเนี่ยสำหรับเราในห้องเนี้ยเร้นลับนี่มันก็มีมิติแต่สําหรับนะักวิทยาศาสตร์ในห้องแลบนี่นะโอ้โหหนุของเขาแทบแทบเร้นลับของเราเนี่ยเขามองเห็นหมดแหละทุกอย่างเลยนะแต่ยิ่งความมั่นคงเหรอโ อ, รอววมม้รู้ทุกอย่างเลยความมั่นคงรู้ทุกอย่างเลยใครทําอะไรเนี่ย ในในสังคมนี้เขาก็รู้หมดถ้าอยากจะรู้เขาก็รู้หมดกเกิลอย่างเงี้ยนะรู้หมดทุกอย่างส่งอีเมลไปหาใครเข้าไปดูเว็บอะไรคนหาเรื่องอะไรเขาก็รู้หมดนะนี่บางอย่างนี่วิถีชีวิตของเราหนี่สอนให้เราได้ระวังตัวระมัด ร, ระวังรักษาความลับของเราจากคนที่สอดแนม ต้องการรู้ความลึกลับของเราเราก็พยายามที่จะระวังตัวใช่ไหมะระวังตัวในเรื่องโซเชียลส่งอะไรรับอะไรต้องระวังใช่ไหมทั้งทั้ง น, นี้ความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับบุคคลที่จะสอดแนมกับเราเนี่ยมันก็เป็นความรู้ธรรมดามันเปนหมายถึงว่ามั น, ม น, มนไม่ได้เป็นความรู้ถึงขนาดระดับศรัทธา แต่การที่เรารู้ว่าอัลลอสุบฮานาห์ตะกะละทรงรู้ความลับของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องความศรัทธาแต่สังเกตดูนะว่าพฤติกรรมของเรากับมนุษย์ที่สอดแนมเราแล้วก็อยากจะรู้ความลับของเราเนี่ยเราจะกลัวแล้วก็ระมัดระวังขนาดไหนแต่การที่เราศรนะัทธาละที่อัลลอฮทรงรู้ทรงเห็นความลับของเรากลับทำให้เราไม่ค่อยมีความยำเครงหรือความหวาดกลัว ในการที่เลาสัมผัสนวตาลราจะรู้หรือว่ามันอาจจะมันมันแตกต่างกันมันไม่เสมอกันหรือมันไม่เท่าเทียมกันมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้พวกเราเนี่ยต้องพิจารณาตัวเองด้วยนี่ทั้งหมดเนี่ยมันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเรื่องที่เราสัมผัสนวตาลได้เดดตือนสติพวกเราด้วยคําถามว่าแอลลัมยาละมูพวกเขาไม่รู้หรือพวกเขาไม่รู้หรือเขาไม่เขาไม่ได้ศรัทธากัน ยังไม่ได้ศรัทธายังไม่รู้กันหรืออันนั้น Allah ยะแกลมอสซิรรัฮุมวันนโชห์มุตะที่นั่นอันนั้น Allah ละทรงรู้ความรึนลับของพวกเขาและการพูดซุบซิบของพวกเขาซึ่งเรื่องมันก็จะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องซุบซิบริกลับเนี่ยพฤติกรรมของมุนาฟิกินก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ซุบซิบนินทาท่านนบีละซอฮาบะอันนี้ก็ มายกตัวอย่างอีกอันนึงเกี่ยวกับเรื่องนโยบาเรื่องการซุบซิบซุบซิบแต่คราวนี้เนี่ยมุนาฟิกีนเขาไปไกลเขาไม่ได้ซุบซิบแบบลับๆแบบลับๆนะเขาซุบซิบให้คนอื่นได้ยินด้วยซึ่งมันเป็นพฤติกรรมต่ําช้าตจริงๆคือทํ า, าท่าซุบซิบทําท่าซุบซิบ แต่อยากให้คนอื่นได้ยินอันนี้คือคือมันแย่มากเลยทำท่าว่าซุบซิบเอเอคืออยากให้มันได้ยินตั้งใจให่ได้ยินแต่ถ้ามีใครมามามาถามเรอะไรเนะป๊าพูดพู ด, ดเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรเีเราซุบซิบกันส่วนตัวอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่า alamzu و alhamzu ล l a m z ุ ว่าล้ำจุล้ำจุล้ำจุเ น, นีลจุลนก็คือตำหนิซุบซิบเบาๆคือไม่ไดมคือถ้าตาหนิตาหนิดังๆนี่ก็ได้กว่าด่าแล้วไงแต่อันนี้อันนี้แบบเบาๆตาหนิเบาๆอันนี้อันนี้ก็ได้กว่าล้ำจุถ้าใช้คำพูด ที่ตีความได้นี่เรียกห้มจุนนีอัลลอฮ์ใตำหนิพฤติกรรมสองอย่างนี่วัยลุ่นแต่การตาหนินี้นี่ตาหนิตั้งตั้งแต่นบู่ที่มาเก่านะก่อนที่จะมามาดีนานะวัยุนลิคุลลฮมาซติลมซเพราะพฤติกรรมนี้นี่ก็มีสมัยนบู่ที่มักก่ ซาบะเขาศรัทธาซาบะเขาละหมาดกันนบีละหมาดเขาอ่านกุตอ่านกันก็จะมีชาวมักกะเนี่ยจะคอยคอยตำหนิคอยต่อว่า Allah ก็เลย Allah ก็เลยตาหนิพวกไวลุลีกุลีฮูมะเซติลุมะซะอันนี้พวกมุนาฟิกีนก็เลยมีพฤติกรรมเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นพฤติกรรมต่อเนื่องจากการซุบซิบรับหลังอะ س ُ ب ْ ح ن َ اللَّهِ تَعَالَى جَلَّ يَتَمَنِي و َ ا ل َّ ذ ِ ي ن ي ْ م ِ ز ُ و ن َ الْمُطْوِيْعِينَ م ِ ن الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا ي َ ج د ُ و ن َ إِلَّا ج ُ ه ْ د َ ه م ْ فَيَسْخَرُونَ م ِ ن ْ ه م ْ سَخْرَ اللَّهُ م <منهم> ِ ن ْ ه م ْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ل َ ع َ ر ِ ن َ ع ََّ ك َ ن َ ع َ ا س ُ رَسُولُ اللَّهِ และตำราของตเซีเนเกือบทุกตำราเลยยกเรื่องของมูนาฟิกีนกลุ่มหนึง่งก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนสงครามตะบูกเนี่ยท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมเรียกร้องเชิญชวนสาบะให้บริจาคเพราท่านนาบีจะส่งกองทัพกองทัพหนึง่งไปทำจ i h า d ก็เียกให้บริจาค สมัยท่านนาบีนิบริจาคทุกเรื่องจะบริจาคอาวุธจะบริจาคเงินทองจะบริจาคอาหารผลไม้พืชผลกะได้หมดอับดุลราะมานิบเนาฟคนรวยก็มาบอกกับท่านนาบีบอกว่าข้าพเจ้ามีทรัพย์สินทั้งหมดนี่8 0ดพ 8,000 ดพันี่ไม่แน่ 8,000 ันเดลฮัม8 0ด0ันดีนาร์น่าจะดีนาร์ แ0ดีนดีน่าดีนาหนึนน่งดีนาห น, นึ่งประมาณห้าพันบาทแปดพันเนี่ยแสดงว่าเท่าไหร่สี่สิบล้านบ้างฮะผมเลขไม่ค่อยเก่งสี่สิบล้า น, นต่อหน้าตอ่าตอตา บ, บีนี่นะผม น, น บ, บีครับผมมีอยู่สี่สิบล้านผมขอยี่สิบล้านไว้ใช้ส่วนตัวแล้วก็ให้ท่านน บ, บียี่สิบล้าน ครึ่งสับสิทธิ์นะสาธุอีกคนหนึ่งเป็นชาวสวนท่านรบีผมบริจาค100วงส้อวักวศักนี่เป็นเครื่องตวง1วึสักนี่มันเป็นกระสอบใหญ่กระสอบใหญ่จุได้60สบิบซอรู้จักซอไหมถือสิ้นอดกันไหมเนี่ย เดี๋ยรามาอันนี้ที่สิ้นอดไออกกาฟิตรีซอซอกี่กิโลจุดนี่แสดงว่าไม่ได้ออกอกาฟิตเลยเนี่ยี่ที่ว่าก็ออกกันกี่กิโลแสดงว่าไม่ดดูไกิโลหซอกิโลวสักนี่นะซอ ซอนหนึ่งสามกิโลแสดงว่าหกสิบซอนนี่สามคูณหกสิบเท่าไหร่สามคูณหกสิร้อยแปดสิบนะร้อยปดสิบนี่หนึ่งหนึ่ ง, ห น, งหนึ่งวัสักนะเขาบริจาคร้อยวัสักแสดงว่าร้อยหกสิกิโลเนี่ยคูณร0อยเท่าไหร่แสดงว่าสิบตันกว่านะใช่ปหมหมื่นแปดกว่ากิโลนะใช่ป่ม หนึ่งแปดพันกิโลก็เกือบสองตันเออสิบแปดตันดิใช่ดิสิบแปดตันนี่แสดงว่าเขาเขาต้องมีอีกเท่าไหร่ล่ะใช่ดีเพราะชาวมาดหน้านี่เขาเป็นชาวสวนอินพลัมอนะ่ะะชาวสวนอินพลัมนี่มูนเดสุดสายตาเลยอะ่ะเขาเาบริจาคกับท่านนาบีหนึ่งรอยวัสักสร็พักหนึ่งก็มีซาบาคนหนึง่ง น บ, บีครับเมื่อวานนี่ผมไปแรงงานไปรับจ้างที่นู่นเขามีวิทวิทยบ่อนะได้ผมก็วิททั้งวันเลยวิทยทั้งวันเลยจนได้ค่าจ้างมาสองซออิมพลลัมสองซอ้เขาจ้างด้วยอาหารได้ค่าจ้างมาสองซอผมขอซอหนึ่งไว้เลี้ยงครอบครัวและซ้อหนึ่ง บริจาคเขาก็เอาหนึ่งซ้อเนี่ยไอคนนั้นเอาสิบแปดตันคนนี้ก็หลยเอาสองซ้อสองซ้อนี่ เ, เ, เ 200, 200, 200, ท่าไหร่นะไอหนึ่งซ้อหนึ่งซ้อนี่สามกิโลสามกิโลกับสิบแปดตันใช่ปะจะรอดหรือพวกมุนาฟิกนี่แหละเวทีของมันเลย อ, อั اف, ลกุบดุลรัฮ์มาบบนอัลเนาเอาฟแล้วก็คนที่บริอัลเนาะอูฟบริจาคีซิบลาน แล้วก็อีกคนใน่บริจาคสิปตันชอบอวดแหมมีมีตังเยอะนี่ชอบอวดพออีกคนที่มาบริจาคหนึ่งซอรบริจาคทาไมอันนี้เดียวเราไม่ตรงกันเราเรากับนบีเนี่ยไม่ตรงการหนึ่งซอนนี่มันนิดเดียวมาบริจาคทำไมไม่ไดีเรื่องเลยเ ย, ย่ไอคนนี้มาเยอะบริจาคเยอะก็อวด ไอ้คนนี้บราน้อยอลอไม่ต้องการเรบริจาคทำไมเรื่องเล็กแค่นี้ยัลมิซูน่ะอัลลอฮฺที่ยัลมิซูนัลมุตตเวินมิหนูอินะใน صدقات พวกที่ตําเนบรรดาผู้ที่สมัครใจจากหมู่ผู้ศรัทธาในการบริจาคทานมุตตเวรนมุตตเวรนเดิมเนี่ยอัลมุตตเวรนมาจากตะโตวะตะโตวนี่ก็คืออาสา แต่ตัวตานี่กับตัวปอนี่มันมักเขาจะเดียวกันเขาก็เลยผสมตากับตอนี่แล้วก็ใส่ชั้ดาไปเนี่ยก็เลยอนุฮัลมุตเวีนะผู้อสาคนที่สมัครใจมินมุมินีนจากบดาผู้ศราฟิกที่ในการบริจาคทานตาหนิทั้งคนที่อาสาและตาหนิคนที่ทาสุดความสามารถวัลลดีนาจดูนอิลลฮดหฮุม เฟสคารูนัมินุมและตำหนิผู้ที่ไม่พบสิ่งใดจะบริจาคนอกจากค่าแรงงานอันเล็กน้อยของพวกเขาเฟสคารู น, มนัมินุมและเยาะเย้ยพวกเขานั้นเยาะเยะ้ย น, นี่อวดอยากจะ อ, อวดนีแล้วนั่นไอ้คนแม่งอู้บริจาคอะไรเล็กน้อยแค่นี้เี่น ไ, ไม่ต้องบริจาค ก, ก็ได้เราะจะเอาไปทําอะไรหนึ่งซ้อ ทำหนูมาสั่งหาเราทีเขาช่วยด้วยอินนั่ลลาหและวะรัสูละห์ละ غني อันซดด قة ที่ฮาซะอันนั่ลลารัสูลีมั่งคั่งแล้วเพียงพอแล้วจากการบริจาคเล็กน้อยของคนคนนี้คุณแน่นอนพูดแบบนี้นี่นะพูดเนี่ยอับดุลลาห์มุสกก็ได้ยินเบบสก็ได้ยินเสดงว่าเขาเขาไม่ได้ตั้งใจซุบซิบแต่เขาซุบซิบซุบซิบให้คนได้ยินมีมมีมีคนที่ว่าสันดานแบบนี้ สันดานทำเหมือนพูดพูดคุยแบบเบาๆนะแต่อยากให้คนอื่นได้ยินเฮ้ย hey, พูดอะไเปลาไม่ได้พูดเปล่าไม่ได้พูดแน่นอนคือผู้ศรัทธานี่ถ้าเขามีอะไรอยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะเตือนนะ่ะนะเขาก็เตือนแบบซื่อตรงตรงไปตรงมาไปหาคนนั้นแล้วก็เออขอคุยหน่อยจับเขาแล้วก็คุยเตือนกันอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะไอ้พูดไอ้ตำหนิแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวจะ เดีจะบอกว่าเงื่อนไขของการซุบซิบแบบเนี้ยจะได้ถือว่าเป็นซุบซิบนี่มันต้องเป็นแบบไหนเยอะเย้ยสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นนี่ก็คือสร้างความเสียใจกับคนที่ทําความดีคนทําความดีเฮ้ยแกโอ้อวดถึงเขาจะไม่โอ้อวด น, นะแต่เขาก็จะรู้สึกเสียใจไม่เป็นกําลังใจ คนเราเนี่ยเวลาเห็นคนทําความดีแล้วเราเกรงว่าเขาจะโม่วอวดนะเราควรที่จะให้กําลังใจในเชิงดีขอให้อัลลอฮ์ตอบรับการงานที่ดีที่บริสุทธิ์ใจขอให้ท่านได้มีความบริสุทธิ์ใจร้อยปร์เซ็ในการคือให้กําลังใจเขาจะได้ผื่อถ้าเขาบกพร่องเนี่ยเขาจะได้ปรับปรับปรุงตัวเองแต่ว่าใช่ ใส่รายเขาเบ็ดเสร็จได้อ๋อนี่แกอ้วนก็เป็นเรื่องที่มันไม่ไม่ถูกต้องแม้กระทั่งคนที่เอาแรงงานเขาเอาค่าจ้างของเขาเล็กน้อยเนี่ยเขาก็ต้องเสียใจเฮ้ยแกบริจาคเล็กน้อยแค่นี้ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ท่านนบีสั่งละฮะละอิออซัลลัมให้กำลังใจคนบริจาคเล็กน้อยถึงขนาดท่านนบีได้บอกว่าอัฟ ضل الصدقات الجه دل مقيل สต no ๊อกที on, ่ปรเสุทิที่สุดนี่คือสด๊อกที่ออกจากแรงผู้บริจาคอัลมูกลิที่เขามีน้อยที่สุดเสียสละสุดความสามารถแล้วก็บริจาคนั่นน่ะคือบริสุทิที่สุดฮะดีสิบ่นนึงบ่นทึ่งโดยมูฮัมมัดเลติรมุซีนับบีบอกว่าสามกะดิรฮัมมุนมิเดิรฮัมหดิรฮัมนีชนะหนึ่งแสนดิรฮัมหมายถึงว่า คุณค like de ่าของหนึ่งดิรัมเนี่ยอาจจะมีความหมายมากกว่าหนึ่งแสใช่คนนึงทรัพย์สินของเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสองดิรัมเหมือนซาบะคนนี้เนี่ยมีอยู่สองซอซอนหนึ่งไว้กินและซ้อนหนึ่งบริจาคให้ท่านนบีมีความหมายมากสิสาวน้ำครับคนที่บริจาคหนึ่งซอนี่นะไม่ต่างอะไรกับอัมตุลหมะเรมยาอัมตุามรเนี่ยมีอยีบล้านสีสบล้านบริจาคมายีล้านเทียบแล้ว สำหรับคณิตศาสตร์วิชาเลขทั้งหลายยี่สิบล้านกับหนึ่งซอแน่นอนมันคุ้นเรื่องกันแต่สำหรับอัลลอสฺซุานะวะารมันก็คือห้าสิบอร์เซ็นไงมีหนำซ้ำสำหรับคนที่มีสี่สิบล้านบริจาคยี่สิบล้านถ้ามีนะบริจาคยี่สิบล้านคนคนนั้นนะ่ะก็ยังสุขสบายโยังมีอีกยี่สิบล้านใช่ไหม แต่คนที่มีอยู่สองซ้อคิดว่าเออถ้าสองซ้อนี่ครอบครัวเาคงกินอิ่มอิ่มระดับหนึ่งแต่นี่เหลือหนึ่งซ้อเขาก็ไม่ชีวายังสบายเหมือนคนที่มีย0สิบล้านะเขาจะยังลำบากเหมือนกันก็ยังมีความลำบากระดับเนี่ยเท่านนเองยุ่ดดุลมกิลมกิลบริจากน้อยแต่จริงแต่เสียสละสุดความสามารถของเขาเรื่องนี้ เราประสบการณ์ให้พวกเราได้ฟังว่าไม่มีอะไรในชีวิตของเราเนี่ยจะมีความสุขเท่ากับการเสียสละโดยเฉพาะยามที่เรามีความจำเป็นมีความต้องการในทรัพย์สินนั้นๆน่นนะแต่เรายอมเสียสละเสียสละมันในหนทางอองเราถ้าเราทำได้นะนั่นนะความสุขที่มันไม่มีอะไรในโลกนี้มาเทียบได้เลย แล้วมันจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับมนุษย์ทุกคนไม่จริง่ารสัสิ่งที่เราต้องการจริงๆต้องการมากและเราจะเสียสาละมันในหวอลเรานเรื่องที่ยากจริงๆแต่ถ้าเราทำได้นะเนเราจะได้รับรางวัลจากเราซึ่งความสุขมหาศาลที่สุดมหาศาลมากและเราไม่ควรที่จะพลาด ชีวิตเราในโลกดุ น, ยนีย์นี้โดยที่ไม่ได้ทําเรื่องนี้สักครั้งหนึ่งต้องสวยโอกาสต้องสวยโอกาสสักวันหนึ่งมีเงินก้อนหนึ่งเราต้องการแล้วก็เสียสละไม่เอาเงินก้อนนั้นเสียสละหนมุมต่างมีสักวันหนึ่งช่วงหนึ่งเวลานึ่เราหวงแหนเวลาเราจะได้ได้ได้มีความสุขอะไรส่วนตัวของเราสักอย่างหนึ่งแต่เรา ยอมเสียสละไม่เอ า, ไ ม, เอาไม่เอาความสุขส่วนตัวเนี่ยแล้วก็มอบเวลานี้ให้ในอุนดังของเราอะไรที่เราหวงแหนแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นสิ่งสงวนของเราที่เราจะไม่ยอมให้คนอื่นแต่เรายอมให้อัลลอฮ์เนี่ยมอบให้อ AH ัลลอฮ์ سبحانه และก็ตถาลาด้วยความสมัครใจ น, ะนั่นนี่นีด้วยความสมัครใจถ้าไม่ได้ทําบ่อยนะแต่เราอย่างน้อยเนี่ยต้องทํา ในชีวิตสักครั้งถ้าเราไม่เคยกินสตรอเบอรี่ไม่เคยกินทุเรียนไม่เคยกินแอปเปลิลแต่เราเห็นรูปแอปเปลิลเห็นรูปทุเรียนเห็นรูปสตรอเบอรี่เห็นก็คุยกันให้สตรอเบอรี่นี่มันอร่อยอร่อยยังไงวะให้ทุเรียนนิ่โคตรอร่อยยังไงวะอร่อยยังไงให้ให้ใครอธิบายนี่ทุเรียนมันอร่อยอยางงั้นมันนิ่มมัน มันก็ยังไม่ลิมจ น, จ, นจนกว่าจะทานเองจนกว่าจะทานเองความสุขในการทำความดีอะไรบางอย่างเนี่ยอย่าได้เป็นประเภทที่ฟังจากคุรุอ่านฟังจากฮะดีสหรือจากาสฮะบะซาลับนี่เขาพูดถึงเรื่องความสุข น, นี่ได้ไงบงนะเราอย่าเป็นแบบประเภทคนโง่เขาแล้วก็แล้วก็วกฟั ง, งก็มีความสุข อ๋อละมหมาเกลียมุดเลยและมีความสุขเอาเหรอเออทำไมบาร้าแล้วมีความสุขเอาแล้วเราจะไม่พยายามที่จะค้นคว้าความสุขเนี่ยจับต้องให้ได้มันความสุขมันจริงนะมันอยู่ตรงไหนอะเนี่ยอยู่ตรงไหนเราต้องคว้าให้ได้อย่างน้อยในชีวิตนี้สักครั้งอย่าปล่อยตัวนะให้เป็นคนสามัญชนคนทั่วไปก็ได้ยินก็ได้ยินแล้วทาไมบารด้ามันมีความสุขทําอย่างงู้มันมีความสุข เยอะอย่างนี่ก็เป็นพฤติกรรมของมุนาเฟกินเยอะเย้ยคนทําความดีเหตุผลเพราะอาจจะอิจฉาอิจฉาว่าเขาทําความดีแล้วเขาไม่สามารถทําความดีก็เลยบัทฑรกํำลังใจบัทอนความรู้สึกของเขาทําลายความรู้สึกของเขาหรือร้ายกว่านี้ก็คือไม่อยากเห็นความดีไม่อยากเห็นคนทําความดี นี่ร้ายแรงที่สุดถ้าเห็นความดีเนี่ยเหมือนเชตตอนเนี่เห็นผู้แทําความดีเนี่ยจะโมโหราคาญเพราะอะไรมันสัญญากับอันล่อนี่ว่าจะลากไปนะรกหมดไงแต่พะเห็นผู้แทําความดีอันแสดงว่านี่จะไปสวรรค์มันุย่ยผิดวัตถุประสงค์เจตนาในการเยะเย้ยเนี่ยก็คือไม่อยากให้คนทำความดีแล้วถ้าคนทาความดีก็ตาหนิมัน เดย๋ยวยนมันมันจะได้เสียกำลังใจอย่างน้อยเนี่ยคิดจะทำอีกครั้งหนึ่งอะ น, นะกลัวโดี๋วคนจะเหยือย่อเยอเป็นเรื่องจริงไหมจริงมุสลิมายู่ในชุมชนจะคุมฮีจากไม่กลา้าทำไมเพราะในชุมชนเนี่ยมีแก๊งผู้หญิงที่ไม่อยากคุมฮีจากเป็นแก๊งกันเลยนะ ก็เหมือนบางชุมชนนี่ก็เป็นแกง๊งเป็นแก๊งวัยรุ่นเป็นแกง๊งหรือไม่ใช่วัยรุ่นเน่ยเป็นคนเป็นแก๊งคนชั่วในสังคมไม่ชอบเห็นคนละหมาดไม่ชอบเห็นคนเข่งไปละหมาดละหมาดซุบโบ้ตื่นละหมาดซุบโบอะไรเงี้ยเล่นงานมุสลิมอาจจะคุมฮิบาร์ไม่กล้าคุมฮีบาบ์ทำไมอะกลัวดูแก๊งนั่นเห็นแม่โอ้โอยอัลลีมเหลือเกินวอรร์รอดเหลือเกิน ปะปะปะไอ้คนดีจะไปละหมาสู้เรานี่ยเพราะแก๊งนี้แก๊งนี้มันตั้งวงน้ําชาหน้าสู้เราเลยพาดทุกทีนะมาละไอ้เลิมมาละหมาละเอลิมมากลัวกลั ว, ล, ล, ว, ล, ล, ว, ล, วละมากกลัวทําความดีเพราะอะไรเพราะคนเยอะเย้ยไอย้รุนด้วยกันกลัวเตือนเล่นบอลเล่นเกมด้วยกันเล่นอะไรด้วยกัน ถึงเวลาละหมาดเขาก็อยากจะละหมาดเฮ้ถ้ากูเตือนมันจะกวละหมาดโดนแน่เลยมาครับท่านเชคครับท่านเชคมีมีมีกระนักะแหนกระนันกะแหนเนี่ยให้ให้เขารู้สึกให้เขารู้สึกว่าเออที่ที่เองเรียนมาแล้วก็จะมาทําเนี่ย สำหรับที่นี่เนี่ยมันไม่ผ่านง่ายๆไม่ผ่านง่ายๆแต่ถ้าผู้ศรัทธาจริงๆเนี่ย إ ي م านเข้มแข็งของเขาเนี่ยมันต้องมันต้องเข้มแข็งกว่าการเยอะเยยของเขาทำจนกระทั่งให้คนเยอะเย้นี่ได้อายตัวเองมันถึงจะชนะแต่ถ้าเราจะอายการเยอะเย้ยหรือการค่มคู่การเล่นงานล็อบบี้ของเขาเนี่ยผู้ศรัทธานี่ไม่รอ ไม่รอดน่นอนแล้วเป็นเรื่องแปลกนะครับเวลาเป็นคนเกเรเนี่ยแล้วก็มีแก๊งชอบเยอะๆคนอื่นเวลาเขาทาความดีเนี่ยเข้มแข็งกันเหลือเกิ น, น่ะแก๊งเนี่ยเข้มแข็งหม่เข้มแข็งมากเวลาเรียกเรียกแก๊งนี่เรียกเรียกไปคนาีกอะไรไปไปแววนกันไป เออโอ้ยมากันเป็นกองทัพเลยเป็นร้อยคันเลยนะมาเป็นร้อยคันเลยเอาเรียกแก๊งไปนู่นไปทิ่ฮัทสถาบันนู่นมันเหยียดหยามสถาบันของเราโอ้มากันเป็นเป็นก็อามเลยนะมากันเป็นยกทัพกันเลยนะแต่ปรากฏว่าอามีแก๊งนี่บางบ้านอะมันเตาบาดตัวละโอ้เรียบร้อยเลยเป็นคนดีแล้ว ถ้เป็นคนดีเลยนะเหมือนแมวเลยนะไม่มีแก๊งละไม่มีแก๊งละไอ้ที่แต่ก่อนนู้นนะตอนเกเรเนี่ยโหหูอยมาเฟียเลยนะบางบ้านนี่ไม่มีใครกล้าไปอะไรครับแต่พอเป็นคนขิงศาสนาเนี่ยก็เป็นแมวเวลาไปบรรยายไปฟังบรรยายกับไปคนเดียวเวลาไปละหมากับไปคนเดียวเวลาทําความดีกับทาคนเดียวอนละแก๊งตัวเองกไปไหนหมด ไม่ต้องแกงนั่นทำไมทำไมตัวเองไม่ทําแกงด้วยะแกงความดีด้วยล่ะทําไมที่ตอนชั่วนี่เข้นแข็งเหลือเกินแต่ทําตอนเป็นผู้ศรัทธาเป็นคนเข่งศาสนานี่ยแค่เป็นคนอ่อนแอล่ะมุณขต้ามณิจงบอกว่าอาจิบตูลิเจลดิลแฟจิริว่าอาจซิลมุมินฉันแตกใจเหลือเกินความเข้มแข็งของของคนชั่วและความอ่อนแอของของคนดี หมายถึงว่าถ้ามีถ้าได้เห็นความเข้มแข็งของคนชั่วนี่มันต้องแปลกใจว่ามันมันบางอาจมันกล้าขนาดนั้นหนึ่งเลยแล้วเวลาเห็นความอ่อนแอของผู้ศรัทธาเนี่ยมันก็ต้องแปลกใจผู้ศรัทธาทั้งทีแล้วทำไมอ่อนแอแบบนี้ทําไมขี้อายแบบนี้มันเป็นเรื่อง เ, เรื่องผิดปกติผิดวิสัยสําหรับบุคลิก ข, ของผู้ศรัทธาไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นท่านอัลลอฮ์บอกว่า พวกนี้ก็จะไม่พ้นการลงโทษของอัลลอฮฺซักิร์ลลอฮฺมินฮฺอัลลอฮฺได้ทรงเย้ยหยันพวกเขาแล้วเย้ยหยันยังไงอุลามาได้บอกว่าหมายถึงว่าบั้นป้ายในวันช า, านรกแล้วเนี่ยอัลลอฮฺจะเย่ยมันอัลลอฮฺจะเย่ยชาวนรกเวลาเจ้าจขอร้องต่ออัลลอฮฺให้บรรเทาวความทุกข์การทรมานอัลลอฮฺจะก็ อีกเส้าฝีหาวลาทุกลมุลสุรัตอื่นๆอีกเส้าฝีหาวลาทุกลมุลจงเป็นนัดนะจงเหยียบเหมาเจรจายหยมาพูดคุยกับข้าเลยไม่มีสิทธิจะมาพูดอีกแล้วนี่รูปแบบหนึ่งในการเย้ยไม่คุยไม่คุยเนี๋ยวเขาจะขอคุยอล้ขาคุยก็ดีกาหน่อย เขาไม่บังอาจที่จะ ด, ดีกาให้ให้ออกจากนรกนะไม่มีทางเลยนะแต่เขาจะดีกาขอต่อร้อนนี้ให้ลดความร้อนของนรกนะีลดล ด, ล ด, น, ดนิดหนึ่งลดหน่อยนิดหนึ่งแค่คุยเนี่ยไม่คุยยื่นดีกาก็ไม่ได้แล้วอัลลฮุมาซาบุนอลีมและสำหรับพวกเขานั้นคือการลงโทษอันเจ็บแสดสรุปแล้ว สิ่งที่เราเรื่สำคัญนะที่เราได้จากสองยะยะเนี่ยเรื่องการอัดฉีดความเข้มข้นในความศรัทธาว่าเลาทรงรู้ความเผยและก็ความลับของเราพยายามอัดฉีดงนี้ตลอด ก็าฮาท่านหนึ่งมาถามท่านนบีส si ุล่านเอาซีนินบีขับเตือนเตือนฉันเถอะนบีบอกว่าตตะิลลาฮ حيثما ك ن ت จงยำเกรง الله ในทุกสถานการละท่านนบีสังเสียอุลลัยบญะบาสยุยยังศิษย์สังบีเละ يعرفالله في الرخاء يعرفك في الشدة จงรู้จัก الله อยามสุขสบาย เราเราจะรู้จักท่านยามยามทุกยามยากลำบาก ค, คือให้เราได้คุ้นเคยกับอัลลอฮ์ سبحانه และทุกสถานการณ์อยา่าอย่าได้มีพฤติกรรมกับอัลลอา์ سبحانه และาละที่ที่มันไม่มีความเหมือนพยายามอัดฉีดเรื่องนี้ตลอดเราทรงรู้เ่าทรงดีเราทรงเห็น ساهل ابن عبد الله التستري ن س ن بن أ ل م ا ش و س ل ف س ا ل ِ م َ ع ب د ا ل ل ه التستري ب بن أ ل م ا ش و س ل ف َ ت َ ت و ك س َ ر ا و ب ن ب ن ْ و ق ك ف ي َ ا ل ن ي ة ي ْ ن َ س س ا ل ب ن ع ب د ا ل ل ه التستري بوك س ف ي ن َ ي ن ب و ل نِيَّةَ شَكْلِهِ لَهُ رِنْجُ ف ي ยังจะ่องอิหม่ามก็อซารีนหนังสือพยาอุลุดนอะไรงูเล่นละฮารุไม่ไวช่อซาลิบนอัสในหนังสือสนเตมไปหมดแล้วก็บาอุลาสลับนีอย่างอิบนาอุดะมันคุติเห็นคุณค่าของหนังสือพยาอุลุมดีนถึงท่านต้องย่อนะย้อแล้วก็อิหม่ามอิร่าซึ่งเป็นนักฮดีเห็นคุณค่าของพยาุดีนถึงขณะที่ต้อง ไปตะคริษฮะดีสเนี่ยต้องไปตรวจสอบฮะดีสเนี่ยคนจะได้อ่านอ่านแล้วก็ระวังเรื่องฮะดีสแต่นี่เป็นการส่งเสริมทางองง้อมเนี่ยเฮ้ยไอ้ใครที่บอกว่าเฮาย้ยดิฮะดีสโด ย, ยิบเยอไม่ต้องกลัวอิหม่ามไอร้อกีนี่เขาตรวจสอบฮะดีสให้แล้วเราอ่านแล้วก็อะไรที่มันตออิบเนี่ยก็ตัดออกไปเพราะเขาเห็นคุณค่าของหนังสือเพราะแต่ก่อนนู้นเน่ยเขาไม่เขาไม่มองสั้นนะครับเหมือนคนในยุคปัจจุบันหนังสืออะไรมีตําหนินิดนึงเขาไม่ เขาไม่อ่านไม่มีใครก็ททำกันแบบนี้หรอกวลลามารุ่นรุ่นก่อนถึงปัจจุบันเนี่นะการอธิบายความหมายคุรานในด้านบาลากด้านบาลากนี่หมายถึงว่าการอธิบายให้เห็นความสวยงามของสำนวนคุรานโดยใช้หลักภาษาศาสตร์มันมีเล่มเดียวที่เด่นมากในประวัติาศาสตร์ในประวัติาศาสตร์ผู้ประพันธ์ความหมายกุราน หนังสืออ an. hmm. ัลกัชชฟของอิมามอัลซะมะฮชารีกัชชาฟอิมามอัลซะมะฮชารีซะมะฮชารีนี่เป็นชาวมุอดะซิลหนังสือนี้ไม่มีไม่มีอุลามาคนไหนนี่บอกว่าไม่ต้องอ่านระวังนั้นเป็นมอตะซิลาไม่ต้องอ่านอิมามกุรตุบีเนี่ยเจ้าของหนังสือแตซีรกุรุบีเป็นอชรมีใครบอกกันหนเป็นอาชรอทระวังนั้อะติดาไม่ถูกต้องอย่ปอ่านไม่มีใครในตอดประวัติศาสตร์นี้ มีแต่นี่กลุมกลุ่มอนกลุ่มอะไรก็ไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้รุ่นช่วงหลังนี่ให้ระวังนะเป็นอาชัยรักิราไม่ถูกต้องนั่นตรงอินมาเนยเฮ้ระวังนะทำอาชัรนี่เนสดีอยุบีนพิชิะเคเป็นอาชัยรัไอ้ความคิดแบบนี้เนี่ยมันไม่ไม่เคยมีนะในวงนักวิชาการน่ตลอดคนที้ก็าไปเรียนรู้เนี่ยแต่ละที่นี่นะเขาเฮ้ยคนมาคนนี้อาชัยรักูไม่เอาไม่เรียนกับมัน ไปหาคนที่อคติด้านแบบสาระอย่างไม่มีจะหาแบบนี้ล้วนๆนี่มันมีแต่แต่มันไม่ได้ไม่มีไม่ได้มีทุกที่อิหม่ามอ Ahmad Ibn Hamdan เนี่ยได้รายงานจากนักรายงานห่ดีสของชาวบัสรานีบัสรานีเป็นแหล่งของมุรจีอามุรจีอาเนี่ยคนที่เขามีอคกิด้านส่วนนึงของอคติด้านที่ไม่ถูกต้องกันส่วนนีจะมาแต่ส่วนอื่นนี่ถูกต้องแต่เขามีเรื่องตำหนิเรื่องนี้อคติด้านเนี่ยไม่ไม่ถูกต้องแต่อิหม่ามอ a ์ m a d รายงาน รายงานจากชาวมุรจิอาเนี่ยนับเป็นสิบสิบคนอิบราฮมาลิกนี่ยซึ่งเป็นไอลุซโนลเจมาที่เด่นชัดมากนะนครับได้รายงานจากอิมรานบเนฮิตตันเป็นคนข่าวริชชาวข่าริชเลยไอเดี๋ยวนี้เน่ยเฮ้อย่าไปยุ่งอันนี้พวกข่าวริชช่วงแรกเนี่คนไทยนี่ยกังวกูงงขาวริชนี่มันอะไรมันเยอะมากเลยเยอะมากแต่ก่อนนู้น่ะมันก็มีแค่ซุนนาและบิดา มุสลิมกับกาเฟแต่ก่อนั่นไมีแต่มุสลิมกับกาเฟ่เนี่อนะ่กลงนบ้นเราไม่มีมุสลิมกับกาเฟ่แต่ะมีแค่นี้แหละไอ้ที่หลังนี่ก็เรามีมีมีมีสุนนะคาบิดะใช่ไหมที่หลังนี่มีมีสุนนะจริงแล้วก็สุนนะไม่จริงแล้วการุ่นหลังนี่ก็มาละสลับมีสลับจริงและสลับไม่จริงด้วยสลับแท้และสลับไม่แท้ด้วยสลับกำกึ่ง สลับแบบอีวานสลับภายนอกแต่ลาไส้เป็นอีควานสำนวนที้ผมมีจริงนะเขาใช้กันนะไอ้นี่ไอ้นี่ภายนอกมันสลัแต่หัวใจมันอีควานแล้วก็วนกันอย่างนี้วนกันอย่างนี้มาจุดนี้ได้ไงผมจะออะไรอลมอบดลล์ทุสตานอาจารเขานี่จะสอน ลูกศิษย์เขานี่จะสอนว่าให้คหํานึงถึงการมองเห็นของลูกศิษย์ก็แจาไก่คนละตัว น, นีสอนนอกสถานที่แล้วก็ลงทุนนะอาจารย์ก็ลงทุนซื้อไก่นะ่ก็เนี่ยนะแล้วไม่ใช่ไก่ตลาดนะของไก่บ้านด้วยนะแจกไก่ให้ลูกศิษย์คนละหนึ่งตัวปะ่ะไปเชือดไก่แต่ยังให้ใครเห็นคนนั้นก็ไปเชือดไก่บนไดบ้านคนนั้ก็ในป่านู้นคนนั้นก็ไ ป, ป น, นู้นไ ป, นนนไ ป, นไปมุดถัวอยู่ที่ ก็ทุกคนนี่มาเนี่ชืแหละไม่มีใครเห็นยกเว้นซาลอาซาทำไมไม่เชื่อละเมาไปที่ไหนเนี่ยการู้สึกถึงสายตาของอัลลอฮ์นี่มองถึงข้าพเจ้าตลอดซาเานัมตุลลักษตุ ส, ะะ ส, ะะสตริริตอนนั้นนะกอายุยังเด็กอยู่ไม่ถึงสิบขวบก็ปเป็นสัญญาณว่าคนแต่ตอนตอนที่จะอายุเขาบอกว่าอายุไม่ถึงสิบห้าแล้วนะ่ยก็กลายเป็นผู้รู้แล้วไง แล้วก็ไม่แปลกันะว่าซาเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะเขาบอกว่าเขามีน้าคนหนึ่นงนาาเขาเป็นน้องชายของแม่นะแล้วอาจจะเป็นลุงก็ได้เพราะในภาษารัมยเขาไม่คม่อยแยกกันนะน้าเขาตื่นละหมาดกลางคืนละซาบอกว่าน้าธรรมัดยังเด็กอยู่่น้าทำอะไรอยู่แล้กวก็าน้าละหมาดเกียรมุดเลนหลุดบอกว่าหนูอยากละหมาดด้วย ก็หนูยังเล็กอยู่หนูนอนไปก่อนนอนไปก่อนเถอะน้าขอละหมาดน้าขอละหมาดก่อนนะเดี๋ยวถ้าวันเกี่ยมะอัลลอ์ถามหนูว่าทาไมไม่ละหมาดเกีจะบอกว่าน้าไม่ใหละหมาดหน้าคนเนี้ยก็เป็นคนที่สอนซานาะเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยให้ระมือถึงอัลลอฮ์ด้วยคำว่าอัลลอฮมาอัลลอฮ์น ا อัลลอฮ์แชฮิดีอัลลอฮ์อยู่กับฉันอัลลอฮ์ทรงรู้เรื่องของฉันแชฮิดีอัลลอฮ์น اظ รีอัลลอฮ์ทรงเห็นฉันให้พูดมายถเหมือนเป็นเป็นการทบทวนตัวเองนนี่เรื่องที่ผมอยากจะฝากกับตัวผมและกับพี่น้องทบทวนตัวเองให้ความเชื่อนี้มันเข้มขน้นมันช่วยได้เยอะนะช่วยได้เยอะในเวลาเราอยู่คนเดียว คิดจะทำอะไรบาปนี่มันก็จะช่วยให้เราได้เยีมเครงกับรัชบาลนวัด น, นี่บทเรียนแรกบทเรียนที่สองคุณธรรมและมรารยาทที่อิสลามสอนนี่มันก็มรารยาทขั้นสูงพฤติกรรมของเราเนี่ยได้เป็นพฤติกรรมที่บันทอนกําลังใจของคนทําความดีอย่าได้เป็นคนที่มูตะตำหนิคนทําความดีอย่าได้เป็นคนที่เก่ง แต่การหาเรื่องกับคนที่ทำความดีพยายามหาแง่มุมที่ดีในการส่งเสริมในการเตือนในการช่วยเหลือคนทำความดีแน่นอนก็อาจจะมีความบกพร่องแต่เราต้องเป็นคนที่พยายามช่วยให้เขาเนี่ยปรับปรุงความบกพร่องของเขาความดีของเาจะได้สมบูรณ์มากขึ้นนั่นคือนหน้าที่ของเรามากกว่าไม่ใชเห็นคนทาความดีเขาเขา ทำทาอะไรที่มีข้อตาหนอะไรเนี่ยเราก็ตำห น, นิมันทอนความรู้สึกของเขาถ้าเราเตืนอนเขาไม่ได้ช่วยเขาไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยเ่ราก็ระงับลิ้นของเราแล้วเกิดพยายามขอด้วยให้เขารับหลังจะดีกว่านะครับก็ฝากเป็นคนีนะครับ บ, บ, สลลล บ, สบุสุลลอัลลอฮฺวะลาอับบะาอบบะามับบับบัะอะลาอาลอบะัลลัาาับาาาอับอา มันยังไม่ถึงเวลาไง่าถึงเวลาเนี่ยเขาก็ต้องเรียนรู้อันนี้ผมพูดเชิงตําหนิไงว่าเอาเรื่องนี้เอาเรื่องกลุ่มก้อนนู่นมาพูดทําให้สังคมสับสนทั้งๆจะเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ในสังคมคือคือข้อที่จริงว่าในสังคมไม่มีคอหาดิจแต่ใครมีอะไรอะไรเราเราอยากจะดิสเครดิตกันไอ้พวกนี้เขอ้อหาดิมันจะได้เป็นเหตุผลที่จะ อ่าเดทเครดิตของเขาซึ่งซึ่งที่ผมเอ่อยมาเนี่ยเพื่อจะได้จะได้เตือนว่า น, นี่มันไม่ถูกต้องไงมันไม่มีความจําเป็นที่ต้องรู้หรอกสาหรับมุสลิมใหม่นะไม่จําเป็นที่ต้องรู้อะไรคืออัายรัฟอะไรคือเขาอะไรอะไรคือมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องวิชาการที่แบบว่าลึกซึ้งมากมันเกี่ยมันแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยในปัจจุบันอาจจะมีแต่ไม่ไม่เยอะ มันไม่ได้เป็นภัยที่ต้องมาเรียนรู้แล้วต้องมาเตือนกันขนาดนั้นไม่ใช่แต่คนที่ยืมเรื่องนี้หปถึงว่าอัญเชิญเรื่องนี้มาจากประวัติศาสตร์มาจากอดีตเนี่ยจะได้มามาใส่ร้ายแล้วก็มามาได้สเครดิตเนี่ยเพื่อเรียกความชอบว่าตัวเองพูดโดวยวิชาการแต่ที่จริงนีมันไม่ใช่มันเป็นการอุปโลกเรื่องเรื่องที่มันไม่มีจริงไม่มีข้อได้จริงเลยนะครับ แต่ถ้ามุอัลลัฟหรือมุสลิมใหม่เนี่ยพอได้เรียนรู้มากขึ้นเดี๋ยวเขาจะถึงเวลาเขาก็จะรู้เองอะไ ร, ะไรคืออชารออะไรแ ต, แต่ช่วงนี้เนี่ยคนที่รับอิสลามใหม่เนี่ยควรที่จะให้หนักแน่นในเรื่องรู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นนี่สำคัญกว่าและถ้าคนที่เผยแพร่คนที่สอนศาสนาเนี่ยถ้าเขามีความรับผิดชอบ ในเรื่องนี้จริงนะเขาไม่ควรที่จะเอาเรื่องนี้เนี่ยมามาสร้างประเด็นสร้างกระแสนในสังคมโดยเฉพาะในสังคมมุสลิมใหม่นะะสังคมมุสลิมใหม่นี่มาเนี่ยก็แล้วก็มาสอนเรื่องนี้นะี่นะนี่ผมผมว่าทรยศอมมามันนะความรับผิดชอบในเรื่องมุชการที่ตัวเองต้องมีแทนที่จะเป็นคนที่จูงมือเขาเนี่ยรู้จักเอาละมากขึ้นให้หนักแน่นมากขึ้นภูมิใจมากขึ้นในความเป็นมุสลิมเราก็รู้ไหมที่ทําทำให้บางคนเนี่ย มี่ล่าสุดนี่นะที่ประเทศยุโรปเนี่ยที่คนนี่ก็ค่อยตามพวกเนี้ยนะสุดท้ายนี่เขาก็อับอายนะที่เป็นมุสลิมพราเห็นความขัดแย้งที่มันที่มันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกับกับประชาชาติอิสลามเนี่ยอันมุนก็นุ่งก็อย่างนี้ข เ, นเขาอก้ยท่านเข้ามาเข้ามาศาสนาอิสลามจะได้เห็นความขัดแย้งที่มันอึดอักเนี่ยใช่ครับครับบังหิบผมตามาเรียนท่า เร่การลำากย่อครับบางท่านที่เป็นคนกาธาหรือราการที่ต้องย้ายไปอยู่ต่านงถนวั้นี้เอาเวลาสเดือ น, นเป็น่ครับเราอยากจะใช้รูของการย่อคือถ้าเขารู้หรือมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยย้ายราชการชั่วขาเอาไหมนี่เขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะอยู่ในในทินนั้นนะ่ะตลอดชีวิต หมายถึงว่าไม่ได้ไ ม, ไไ ม, ไไมไ่วางแผนอะไรเลยอย่ะนะก็ยังถือว่าเป็นต่างถิ่นของเขาทีนี้คนที่ไปต่างถิ่นเนี่ยก็มีสงทัศนะทัศนะหนึ่งที่บอกว่าเขาสามารถละหมายดย่อได้ตลอดเวลาที่เขาอยู่ต่างถิ่นอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าถ้าเขามีเจตนาอยู่มากกว่าสี่วันเนี่ยให้ละหมาดเต็มแต่ผมเนี่ยมีความเห็นว่าคือถ้าเขาอยู่ต่างถิ่นเนี่ยโดยเฉพาะข้าราชการนี่นะ ยังไงเขาก็ลําบากไม่เหมือนคนในถิ่นคนในเมืองอ่ะยังไงก็พอพวกก็ต้องเดินทางไปเดินทางมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาอยู่ในสภาพที่เดินทางไปเดินทางมาแล้วก็ลําบากก็สามารถที่จะละหมาทยกได้แม้กระทั่งในพื้นที่ต่างถิ่นที่เขาไปรับราชการถ้าเขาลําบากในการละหมาดตรงเวลานะแล้วก็ละหมาดเต็มแล้วก็ละหมาทยกได้่ลําบากในการละหมาดตรงเวลาก็ละหมาดรวมได้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาถ้ามีความลําบากนะครับ เพราะสมัยซาฮาบะนี่อันศิษย์นแม่ลิกเขาบอกว่าละหมาดละหมาดยอ่อเนี่ยเป็นปีเลยอะซาฮาบะนั่นละหมาดสองปีเนละหมาดยอ่อพอเข้าไปจิฮาทนะเนี่ยพอไปจีฮัทนี่ไปแต่แน่นอนจีฮับางที่นี่ก็อาจจะอยู่เดือนสองเดือนสาเดือนแต่มันไม่แน่นอนไมันไม่ชัวร์คนที่รับราชการก็เหมือนกันมันไม่แน่นอนแต่๋ยวอาจจะอยู่สองเดือนแล้วก็มีคําสัง่งอะย้ายไปอีกที่หนึ่งแล้ว ค่อยแน่นอนครับแล้วคนที่คนที่อยู่ตอนหน้าหลายคนเนี่ยครับแล้วก็ขยันทาความดีแล้วพอเขา อ, อยู่รัรังเนี่ยเขาขี้เกียจทาความดีที่เชื่อว่าเป็นเป็นหนึ่งในคุณคุณลักษณะของมูนาฟิกนะครับต่างยังไงบ้างกับเอ่ไม่ต่างกันคือฮังเซอร์เองเนี่ยเขารู้สึกว่าเนี่ยความเป็นมูนาฟิกทําให้เขาในีนอนไม่หลับ เขาก็ตอนกลับไปอยู่บ้านนี่เขาไม่เหมือนตอนอยู่กับท่านนบีเขาก็บอกกันหน้าฟักฮังซ่ลยนี่สำนวนฮัดดิสันหน้าฟักฮังเซ่ละฮังเซ่เราเป็นมุนาฟิกแล้วพอออกไปนี่ก็จะเอาว่าเกิอาว่าเกิฉันเป็นแบบนี้เว่าบกวฉันก็เป็นแบบนี้เราเป็นมุนาฟิกกันหรือเปล่าหมายถึงว่าเขาทาบว่าเขาก็รู้สึกแบบนี้ไงเขาก็เลยไปถามท่านนบีนบีก็เลยบอกว่าถ้าพวกเจ้าดํารงสภาพก่อนที่อยู่กับฉันเนี่ย ในเมื่อพวกเจ้าไม่อยู่กับฉันเนี่ยถ้าดํารงสภาพเดียวกันนะ่ะนะพวกเจ้านี่ก็จะถึง إ ي م านสูงสุดถึงขนาดที่มาเลก้าเนี่ยจะมาขอสลามขอสัมผัสมือแต่นบีทิ้งท้ายบอกว่าแลกกินซาอัตนวลซาให้มีบางช่วงซาอัตอัลาบางช่วงบางช่วงกิดเคร่งคัดก็หมายถึงอ่ะคือแน่นอนอยู่กับท่านนาบีเนี่ยก็คือ إ ي م านสูงสุดอยู่แล้วแต่ตอนไม่อยู่กับ น, นบีเนี่ยก็ให้มีบางช่วงขยันกันและก็มีบางช่วง ผ่อนปลนไม่ใช่ผ่อนปลนไปทำบาปนะไม่ใช่ผ่อนปลนนี่หมายถึง ว, ว่าเอาเฉพาะขอบเขตฮาลาเลียงเดียวพอได้นบีบอกว่าถ้าแบบนี้เนี่ยไม่ใช่มูนาฟิกก็แสดงว่านบีบปรับความเข้าใจว่าถ้าอยู่กับท่านนบีเนี่ยทำอะไรนี่นะก็อย่าลืมเอาทิเคยทำกับท่านนบีเนี่ยไปทำลับหลังด้วยมันก็ไม่ต่างกันเพราะความรู้สึกของ ฮันเซลานิถ้ามันไม่เหมือนกันเลยเนี่ยนี้เป็นมูนาวิกฉันเป็นมุนาวิกได้ไหมฮันเซล่าฝักฮันเซล่ะเป็นมูนาวิกด้ไหมมันก็อันเดียวกันที่บอกว่าเราตรวจสอบตัวเองหมายถึงว่าถ้าเราอยู่ต่อหน้าคนเนี่ยละหมาดอย่างดีเลยละหมาดเข้มแข็งมากแต่พออยู่ขี้เกียจไม่อยากละหมาดเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องคิดดิมันต้องเป็นสิ่งที่ชวนคิดว่าเรามีความบริสุทธิ์ใจหรือไม่